ในช่วงของการภาวานาเนี่จะหากว่าเห็ด ส, สือได้มันก็ดีเพราะว่า <c oughs> ตัวหูซึกที่มันมีมันเป็นลักที่เขาเกิดมากะ <c oughs> มีกมารมาโดนอะ่ะ <c oughs> เอากบหูซึก ตั้งแต่เกิดวันหนึ่งหูซึกบสบายหูซึกเป็นถูกหายออกมาเฮือบาหายซุกออกมาตอนใดซุกออกมาบ่าหายกดตีให้ใหายทำมันชาดเป็นอย่างนั้นให้หูซึกแล้วก็ความคิดนีมาเกิดขึ้นตอนได น, นจือได้วะ ตอนที I I okay. hum, ่เขาเกิดว่านี่ยมีผู้ใดชื่อใดว่าคิดผู้จะคว่ำตอนกินนมแม่กินเขาฟังออกไหมภาษาอีสานฮะฟังอกดิภาษาอีสานหรอโอ้โหไทยหรอฮโอ้ภาษาไทยภาษากลาง ความจริงการศึกษานะกศึกษาเรื่องของชีวิตเนเป็นมหาลาัยชีวิตความจริงเรื่องพื้นๆเราก็เคยฟังกันมาหลายที่ไม่ว่าเรื่องของธรรมะจากซีดีจากวิดีโอจาก รายการโทรทัศน์วิทยุเราฟังกันมาเยอะคิดว่าพวกเรามีพื้นฐานมาดีแล้วเนะนี่ยในเรื่องที่มาพูดเนี่ยมายังนำไปสู่รายละเอียดที่มันประณีตขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้ยกระดับการศึกษาตัวสภาวะอืม โดยเฉพาะยิ่งตอนกลางวันมาปรบัวจะพูดถึงเรื่องของสัมปชัญญะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องสติเป็นหลักนะแต่เรื่องสัมปชัญญะนี่เราก็ไม่ค่อยเน้นกันแต่มาก็อยากจะเน้นเพราะว่ามันเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวงานของสตินะตัวสัม ญ, ญากับตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหตุถ้าเปรียบเทียบประการจุดไฟก็คือตัวสติเหมือนไม่ขีดตัวสมาธิเหมือนตะเกียงตัวสัมปชัญญะเหมือนน้ำมันกับไส้ตัวปัญญาก็เหมือนไฟที่จุดหน้าที่ของ ไม่ขีดหรือไฟแช็ค ก, ก็ดับตั้งแต่ไฟติดตะเกียงแล้วกดแชะขึ้นมาติตะเกียงปับ๊บไฟก็ไฟแช็กหมุนหน้าที่แล้วไม่ขีดหมุนหน้าที่แล้วไฟที่หัวไม่ขีดหรือไฟแช็ค ก, ก็ไปติดใส่ตะเกียงถามว่าสามอย่างนี้เนี่ยหรือสี่อย่างนี้นะสติ สมญญาชื่ะสมาธิปัญญาเนี่ยขาดกันได้ไหมองค์ธรรมด้วยสอย่างเนี่ยถ้าขาดตัวใดตั ว, วหนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์นะแต่เวลาเราสมมุติพูดเนี่ยเราก็ใช้คำใดคำหนึ่งเราใช้คำที่เป็นเหตุเป็นเหตุต้นเป็นเหตุหต้นเราก็มาเลือกดูว่าตัว ไม่ขีดหรือไฟแช็กก็ดีตัวตะเกียงก็ดีตัวน้ำมันกับใส่ก็ดีแสงสว่างก็ดีเนี่ยอันไหนเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแสงสว่างถ้าจะว่าเป็นไฟฟ้าก็จะมีสวิตมีหลอดไฟ มีสายไฟแล้วก็มีแสงสว่างถ้าเปรียบเหมือนของยุคใหม่นะถ้าเป็นยุคเก่าก็ก็มีไฟไม่ขีดแต่เกียงน้ํามันกับไส้แสงสว่างเหมือนกันถ้าเป็นยุคใหม่นี่ก็เป็นสวิตโหลอดไฟสายไฟแสงสว่างนี่ก็อันเดียวกันนะสวิตก็เหมือนสติอ่ะ หลอดไฟก็เหมือนสมาธิสายไฟก็เหมือนสัพเพณญาไฟที่เปิดแผงกวาก็เป็นปัญญาอันไหนสำคัญกว่าอันไหนเป็นเหตุต้นชาว่าไม่ขีดชาว่าม่ไม่ขีดไม่มีไม่ขีดใน มันจะบเกืดอช่นาะมีมิจีก่อนถ้ามเริ่มต้นต้องมีมิจฉีแต่มไมิจฉีเนะทำมาไม่มิขิดฉีทำยังได้ปัญญากรบเกิดไฟก็วติดะไตินเนาะแต่เกียงใสน้ำมันไว้ทั้งปีทั้งสาปที่ไรอยู่หันไรที่อยู่หันเลยยนี่นักปรชญาท่านก็เรยว่าเอาสติเป็นตัวหลักสติเป็นเป็นใหญ่เพราะมันเป็นเหตุต้นเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตะเกียงเนี่ยถ้าเรามไม่ขีดก็ยังไปติดอย่างอื่นได้ใช่ไหม ติดขยะติดใบไม้ติดกระดาษติดฟืนแทนได้เห็นไหมนั่นก็เราจึงเอาตัวหลักคือสตินะอาตัวสติเป็นตัวหลักแต่ว่ามันหน้าที่จุด ป, ประกายเท่านั้นนะแต่ว่ามันมป็นจุดสำคัญเพราะเป็นตัวจุด ป, ประกายนั่นเองตัว ในตัวเราถ้าสมมติว่าในตัวเราละ่ะอันไหนเป็นสติอันไหนเป็นสมาธิอันไหนเป็นสัมปันธัญญะไหนเป็นปัญญาขอเสียงอีนิดหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวตัวที่กระตุน้นตัวรู้สึกนี่เรากําหนดตัวกําหนดรู้ลึกรู้เนี่ยเป็นตัวสตินะที่เรื่ตั้งใจยกเนี่ย เป็นตัวสมาธิใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจรู้ขณะที่ยกไปเป็นตัวสัมพันัญะแล้วการเข้าไปรู้ทั้งกายทั้งใจว่ารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกายรู้สึกยังไงใจรู้สึกยังไงเป็นตัวอะไรเป็นตัวปัญญานะเห็นไหมสัมพันธ์กันเนี้ยสอย่างเนี้ยมันถึงจะสําเร็จประโยชน์ ดังนั้นเวลเรายกมือสร้างสติเนี่ยมันไา้ทางที่ถูกถ้าเป็นสัมมาสติแล้วก็ต้องครบทั้งสี่ประการคือมีสมาธิมีสัมมาชยะมีปัญญาถ้าสมมติว่ามันไม่ครบทั้งสี่ประการนี้ถือว่าสัมมาสติยังไม่สมบูรณ์ถ้าสัมมาสติสมบูรณ์สมาธิสมาสส ม, สมาสมาธิก็สมบูรณ์ด้วยสัมมา ญาณคือสมาปัญญาก็สมบูรณ์ด้วยดังนั้นเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราก็พยายามพิจารณาทั้งองค์ประกอบทั้ง4 ส, ส่วนเนี่ยเอย้เรายกมือเนี่ยตั้งใจเป็นไงความตั้งใจชัดไหมและความรู้สึกตัวที่มันเป็นไปในกายในใจเนี่ยชัดไหมนะแล้วก็ความรู้ อารมณ์ต่างๆหรือเวทนาต่างๆเข้ามาสู่กายก็ดีเข้ามาสู่ใจก็ดีเนี่ยชัดไหมถ้าเห็นหนั่งสามสี่อย่างนี้ชัดก็หมายก็ว่าตัวนั้นเป็นตัวสมาสติละถ้าสมมติว่าความรู้สึกภายในกายภายในใจชัดเนี่ยความคิดจะเกิดขึ้นได้ไหมความคิดปรุงแต่งจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะ ทีนี้มื่ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้ตัวทุกมันอยู่ได้ไหมทุกมีที่ตั้งไหม mm hmm. ทุกก็ไม่มีที่ตั้งทุกกระดับก็เป็นนิโรธนิโรธก็เกิดแล้ว mm hmm. ทุกกระดับแต่ทีนี้ว่ามันเป็นไปช่วงขณะที่สัมมาสติมันสมบูรณ์นะ แต่สมมติว่าในสิบนาทีเนี่ยเราพอจะประเมินได้ไหมว่าตัวสมมาสติเนี่ยมันสมบูรณ์กี่สักกี่นาทีก็คอยดูไป ห, ไหมายความความชัดระหว่างสติสมาธิสัมยัปัญญาเนี่ยสมบูรณ์ชัดกี่กี่นาทีสมมติสิบนาที เราตั้งใจชัดมากๆเนี่ยทักห้านาทีอีกห้านาทีชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามต่อไปแต่ในกรณีที่ว่ามันชัดตลอดถึงแปดนาทีเนี่ยเรารู้สึกมึนหัวตึงเครียดเป็นสมาสติไห ม, ไมอืมท่านี้มันชัดหมดอะแต่ก็มรู้สึกก็ชัดควาตั้งใจก็ชัด ความรู้สึกตัวก็ชัดการรับรู้ก็ชัดแต่ทำไมมันเครียดละ่ะ เ, เพราะความชัดนั้นเกิดจากการเพ่งการเพ่งเป็นอะไรการเพ่งกับตัวสมาธิเนี่ยคล้ายๆกันทีน <c oughs> ที้เรารู้จะได้ไงว่าอันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นการเพ่งการเพ่งนี้เป็นอภิชาคือเป็นความอยาก <c oughs> จะให้มันชัด เป็นอภิชาแต่ตัวถ้าเป็นสมาสมาธิเนี่ยมันจะประกอบด้วยหนึ่งมันบริสุทธิ์คือหมายความไม่มีความอยากเข้าไปเ ย, ยปุลสองสติตั้งมั่นโดยธรรมชาติสามมันจะเกิดความคล่องตัวคือหมายความ ว่องไวในการรับรู้ไม่เป็นการถื่อเกล็งเพ่งจ้องนี่มันไปขัดตรงนั้นมันไม่คล่องตัวแต่ถ้าเป็นอภิชาหรือการเพ่งด้วยความอยากจะให้มันเป็นที่เราคิดเนี่ยมันก็ประกอบด้วยตัณหาอวิชาตัณหาอุปาทานประกอบสันอวิชาตัณหาอุปาทานเหมือนกันแต่ถ้าว่าเป็นสมาสมาธิมันจะประกอบด้วยความบริสุทธิ์ความมั่นคงและความคล่องตัว อืมเห็นไหมตัวนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามนะมันจะเป็นแบบนั้นเพเียงแต่เราสังเกตเท่านั้นแนหะแต่ไม่จําเป็นจะต้องลําดับถึงหลักวิชาการที่มานํามาอ้างหรอกพอเราถึงนึกก่นึกไม่ทันนะมันเป็นไปแล้วแต่ว่าอยากแค่เห็นนะื่งว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาที่มันเป็นอย่างนั้นนะ่ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆมันจะเป็นแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้หลักวิชาการเราลําดับไม่ถูกเท่านั้นเองนะทีนี้ ในการพัฒนาองค์ของสัมมาสติเนี่ยจะให้มันเป็นองค์ของสัมมาสมาธิได้อย่างไรนี่ว่าถึงภาคปฏิบัติในส่วนที่เป็นมรรคเลยน ะ, ะในส่วนที่เป็นมรรคก็คือตัวสัมมา ส, สติสมา ส, สมาธิเราไม่ต้องพูดถึงสมาทิฏฐิกันละเพราะถือว่าผ่านมาขั้นตอนนั้นมาหมดลพะพวกเรา ไปตัวสมาสติสมาสมาธิเลยทีเดียวว่าในเมื่อสมาสติมันประกอบด้วยสมาธิสัมมิญญาและปัญญาในตัวสมาสตินั้นจะต้องเข้ามารู้ในสีสถานนะถ้าไปรู้ในส่วนอื่นไม่ใช่นะถ้ามารู้ในสสถานคือมารู้กายนะ แล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่ในกายคือเวทนาเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเข่งตึงสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจมารู้ตรงนี้มารู้จักตรงนี้ว่างั้นเถอะสถานที่หนึ่งคือมารู้กายเคลื่อนไหวสถานที่สองมารู้ความรู้สึกในกายสถานที่สามมารู้ความคิดนะความคิดว่าขณะนี้จิตเราคิดอะไรไม่ตรวจสอบเข้าไปดู ไปดูชัดๆว่าคืออย่าไปดูแบบผืนๆหรือดูแบบไม่ชัดนะให้ดูเข้าไปชัดๆเลยดูไปตรงๆว่ามันมีอะไรไหมขณะนี้จิตของเรามีอะไรไหมเพ่งเกินไปหรือเปล่าตั้งใจเกินไปหรือเปล่าหรือเบลอเผอเล อ, อยหรือเปล่าเข้าไปดูเอาสติเข้าไปดูนะที่ฐานที่สามฐานที่สี่ มันเป็นไปไม่ได้ที่จิตของเรามันจะไม่คิดเลยเนี่ยมันต้องคิดนะแต่ว่ามันจะเผลอคิดในช่วงในช่วงที่เราตั้งใจคิดตั้งใจดูมันอาจจะไม่คิดนะแต่ในช่วงไหนที่ไม่ตั้งใจดูปั๊บมันก็ความคิดมันเกิดมาแล้ะจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่หน้าที่ของเราถือก็ไป็นแล้ลึกรู้ให้ทันนั่นเองว่าเออมันคิดเมื่อรู้ว่าคิด เอาคิดกรดับไปสติก็เกิดอืมสติก็เกิดพอสติเกิดไปพักมันก็ดับไปความคิดก็แทรกเข้ามาใหม่จะไปคิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ปรากฏขึ้นมาเขาเรียกว่าถ้าปรากฏโดยไม่ตั้งใจมีสองลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะข้าขาสติสองเป็นลักษณะที่เป็นธรรมลม เป็นหน้าที่ของจิตทําหน้าที่ของมันคือสเสวย อ, อารมณ์นี่เรียกว่าทามารมถ้ามันเผลอเพราะขาดสติเขาเรียกว่าสังขารถ้ามันรับรู้อารมณ์หรือหน้าที่ของมันเราเรียกว่าอารมณ์หรือว่าทำมารมลักษณะที่มันความคิดมันจะแทรกตัวขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะผิดนะแต่ว่ามันจะเป็นตัวสังขารหรือเป็นตัวทำมารมเท่านั้นเองนะ พอสติเข้าไปลึกรูกก้ไม่ว่าตัวสังขารหรือตัวอารมณ์ก็ขาดไปสติก็ปรากฏชัดนะพอสติมันก็ดับพอสติมันก็เป็นอนิจจารู้ขังดาพอสติดับไปทำอารมณ์และสังขารตัวใดตัวหนึ่งปรากฏอีกอยู่อย่างเงี้ยสลับคนไปสลับคนมาแล้วก็เข้าไปตั้งสติรู้อีกนะมันเป็นหน้าที่ของจิตเราจะให้มันมีสติเกิดตลอดเป็นไว้เวได้ เพสติเองมันก็เป็นตัวตรักษณ์อยู่ในตัวของมันเองมันก็ดับไปมันเกิดับเกิดแล้วก็ดับถ้ามันเกิดตลอดโดยไม่ดับก็ผิดปกติของมันผิดธรรมชาติของมันทีนี้พอเรารู้ว่าสติมันเกิดแล้วมันก็ดับเราก็คอยเข้าไปรู้บ่อยๆเท่านั้นเองแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ตลอด แต่เข้าไปรู้บ่อยๆเหมือนกับที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านประมาไม่เกี่ยงไม่จะเป็นต้องเขาเ้าไปกรรมอยู่นี้ใช่ไหมแต่เขาไปรู้เป็นทีละทีแบบอี้นี่คือตัวหน้าที่ของสัมมาสติที่เขาไปรู้กายเวทนาจิตธรรมมาลู้ในสี่สถานแล้วก็ถ้ารู้ในสี่สถานนี้แล้วเนี่ยในรายละเอียดไม่ต้องลงไป ลงไปมันก็จะสับสนโดยไม่จำเป็นนะแต่ให้รู้ว่าตัวลึกรู้ในกายในใจนี้ตั้งอยู่ในปัจจุบันหรือตั้งอยู่ในอดีตอนาคตถ้าเราลึกรู้ไม่ถูกมันก็จิตมันก็กวดแก่ไปสู่อดีตอนาคตถ้าลึกรู้ถูกจิตก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันนั้นเองแล้วทีนี้มันจะเป็นสม า, สมาธิได้อย่างไรนะ ก็เมื่อจิตของเราตั้งมานอยู่ในปัจจุบันดังกล่าลวเราเมื่อกี้เนี่ยไม่มีตัวคิดหรือตัวสังขารดำล ง, งอยู่โดยทาวลมันมีเกิดเกิดดับดับะเพราะนั้นในช่วงแรกที่มันตัวคิดที่มันเกิดบ่อยกว่าตัวรู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิจาร นะทีนี้เราก็าระลึกสติเข้าไปบ่อยๆรู้เข้าไปบ่อยๆทีนี้ตัวรู้เกิดมากกว่าตัวคิดคือรู้มาไวกว่าตัวคิดจิตมันก็เริ่มกลับมาไวจิตก็ว่างจากวิตกวิจารแต่มีปีติสุขเอก ข, าขาตาอย่างเหลืออยู่ปีติหมายความว่าพอจิตของเรามันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่ง มันก็เบาสบายเป็นปิติเบาสบายปโปร่งลงสามารถบาบัดเวทนาทางกายเวทนาทางใจได้ดีจิตใจก็เกิดมุทุตาจิตตะมุทุตาจิตตะละหูตาเบานุ่มรู้นุ่มนุ่มรู้เบาเบ า, บาเป็นปิติเป็นสุขเอกาตาละทีนี้ เมื่อสติเขาเข้าไปรู้อีกว่าเออปิติสุเอขัตานี่ก็เป็นเป็นของไม่เที่ยงนะตามรู้เข้าไปอีกโดยที่ไม่ยึดอยู่ในปิติสุเอขาตาปิติสุเอขาตาก็เกิดแล้วก็ต้องดับเหมือนกันไม่เข้าไปยึดเพียงแต่เข้าไปรับรู้มันก็เกิดดับนะอยู่อย่างนั้นทีนี้เร็นกว่าปิติสุหายไปเหลือแต่เอขัตานะ เลยเอกตาจิตเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับตัวรู้แม้แต่เอกแคตาอารมณ์เองอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเนี่ยก็เกิดก็ดับเหมือนกันตั้งอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องเกิดต้องดับแต่สติก็เข้าไปรู้อีกว่าแม้แต่อารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทรงอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันอยู่อย่าให้จิตมันนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยเป็นสมาสมาธิไหมเ mm hmm. พราะอะไร เพราะมันเป็นความอยากไปแล้วคืออยากจะให้มันอยู่นานๆใช่ไหมอยากให้มันสุขอยู่นี่นานๆอยากให้มันนิ่งอยู่นี่นานๆเป็นปอุปทานละความอยากเกิดตัณหาอุปทานเกิดละหน้าที่ของจิตที่เป็นสัมมาถสถติเขาไปรับรู้เท่านั้นเองรับรู้ว่าจิตเรานิ่งกี่ไรสบายรับรู้มันจะตั้งอยู่ได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของมันเรารับรู้เอามันมีอยู่นะสักพักนมันก็ค่อยหายไปแต่ในกรณีที่เรา มีอุปทานสร้างมันขึ้นมามันก็จะอยู่ได้นานนะมันก็เกยเป็นติดยึดแล้วเนี่ยเหมือนกันน้ำอะ่ะมันแข็งอนะ่นี้แล้วมาตั้งอย่างเี้ตั้งอย่างไงี้อย่างงมันก็แข็งไม่ได้ใช่ไหมเธาไปตั้งในตู้เย็นไปต้ฟรีเซอร์นะไม่ถึงวันนะกายเป็นน้ำแข็งละเห็น <c oughs> ไ, ไหม <c oughs> ตั้งอยู่นานเท่าไหร่ก็แข็ง นี่ผิดปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่น้าปกติละเยน็ยนยนะเย็นกินก็ไม่ได้แล้วทีนี้จะทำไงให้มันกลับมาปกติแกก็ออกมาจากตู้ฟรีสก็ไวอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงกลับมาเป็นน้ําตามเดิมอีกนั่นเหมือนกันการที่เราเข้าไปเพ่งไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเหมือนกับเอาน้ําปกติเนี่ยไปใส่ตู้ฟรีส์ทำมันแข็งบางครั้งเราก็อยากกินน้ำแข็งเหมือนกั น, น, นดี้หมเย็นดี ใส่น้ําอ้อยน้ําตาลน้ําหวานเข้าไปหน่อย อ, อร่อยดีปรุงแตง่งจิตบางครั้งเนี่ยมันทุกขาา์มันน้ำก็อยากมัร้อน ม, านา ม, มันน้าก็อยากจะเย็นเหมือนกันนะแล้วก็เข้าไปเสพสมาธิอยู่ในสมาธิอ่าขนก็ติดแค่นั้นติดน้ําหวานติดน้ําเย็นทางน้ำหวาน น, น, าน้ํนาเย็นกินมากไม่ดีเหมือนกันเราไปเสพสุกเสพสบายนานๆเนี่ยมันก็สุกนะ แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวพอหายแล้วแต่ว่ออะไรมันมันเหลืออยู่อะไรทีนี้ความสุขสงบหายไปอะไรมันเหลืออยู่ความอยาก <c oughs> อยากยังมันมีอีก <c oughs> มันทิ้งความอยากเอาไว้ <c oughs> อ๋อมันเหลือความอยากว่าให้เดี๋ยวก็ต้องพยายามทำใหม่อีกใช่ไหมเอาขวดใหม่เข้าไปขวดม่อกี้กินหมดแล้วเอาขวดใหม่ใส่เ้าไปอีกเอาไปมาติดเลยทีนี้ติดน้าเย็นกินน้าธรรมดาไม่เป็นละ คนสมัยนี้ก็เลยทํำโดน้นกแข็งเลยลออทําโดนนกแข็งเอาน้กแข็งซื้อนกแข่งเอาไว้เลยขันน้กแข็งไว้ได้เห็นไหมนี่นี่เป็นรูปธรรมคนก็ยังติดแล้วนํามาทําจะขนาดไหนอคนก็ไปติดสมถะติดสุขเพราะติดสุขติดสมถะมันก็เกิดจากอุปาทานมันไม่ได้เกิดจากองค์ธรรมมันเกิดแล้วมันก็ดับอะองค์ธรรมอะมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นแต่ที่เราไม่อยากจะให้มันดับ มันก็ต้องทําพิเศษขึ้นมาก็เหมือนนี่ว่าเราไม่อยากจะให้น้ํำนี่มันเป็นน้าธรรมดาให้เป็นน้ำำา เ, นนเย็นก็ทําพิเศษขึ้นมาต้องไปซื้อด้วเย็นมาอีกอันนี้เหมือนกันเราก็อยากจะให้มันสุกพิเศษแล้วก็ต้องหอมห้องพระห้องกรรมฐานขึ้นมาเป็นตู้เย็นแต่เย็นมาแล้วก็เข้าตู้เย็นนะยนะห้องเอ้ยสวดมนต์เอ้ยภาวนาะเอาปลั๊กมันอยู่งั้นแก็มันจะเย็นได้บางทีไม่เย็นเลยตู้เยน็นมันไฟไม่เข้าไฟดับ หรือเขาไม่ไม่มีเงินเสียค่าไฟเห็นไหมมันไม่ได้ต่างกันเลยนะแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมแต่ทําไมเราจึงโยงกันไม่ติดอ่ะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมริงไม่รู้รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมมันเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นนามธรรมมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละให้นอกไปไหนในเมื่อเราไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็อยากจะให้นามธรรมรูปธรรมเรารู้แต่เราไม่รู้นามธรรมอะเพราะเรายังไม่เห็นนะ เสร็จแล้วพอไปติดความสุขความสงบนานๆแล้วอยากอยให้มันอยู่นานๆเนี่ยนะแล้วก็ปั้นปั้นความสุขสงบให้มันเป็นรูปขึ้นมาทีนี้ปั้นให้เป็นรูปอะไรล่ะปั้นเนยฮเป็นรูปเป็นเหรียญบ้างเป็นหล่อขึ้นว่าเป็นทองคำนะเป็นเพชรเป็นนินจินดาเป็นแก้วเป็นอะไรไปล่ะปั้นสมาธิขึ้นมาเป็นเป็นรูปแล้วทีนี้ ฟันเ ป, ป็นลูกหลวงปู่หลวงตาลงหาลวงนาหลวงพี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันพัฒนาไปเรื่อยๆจากนามาทําเป็นรูปธรรมจะรลูกธรรมต่อไปก็มีการซื้อการขายกันที้นะี่แหละพัฒนาไปกลายเป็นกิเลสกลับมาอีกอันนี้เห็นไหมก็วนอยู่อย่างงี้แหละนี่เขาเรียกว่าตัวรูปมันพัฒนาไม่อยู่หรอกไปเรื่อยๆจากลูปละเอียดที่สุดจากความสุขสงบทางใจเป็นรูปละเอียดใช่ไหมพัฒนาออมาเป็นรูปหยาบ เป็นรูปของอะไรต่างๆขึ้นมาก็กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นประเพณีกลายเป็นาศาสนาพิธีกลายเป็นาศาสนาตามลาดับเพราะนั้นเราต้องเห็นวิวัฒนาการของรูปรูปมนปันแปลงตัวไปเรื่อยๆแหละเราสาคัญรูปมันนะสมมติว่าเอาอย่างเงี้ยสมมติข้าวเนี่ยเป็นรูปเนะเาะ <c oughs> ข, ข้าเหนียวก็ย่า กเอาเข้าวมานึ่งมาต้มกินก็อิ่มใช่ไหมแต่ทําไมเอาเข้าวไปปั่นเป็นแป้งแลามาทําขนมจีน <c oughs> เออใช่ไหมกีนข้าวกินขนมจีนมันอิ่มต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าปัญหา ม, มันเกิดจากอะไรความอยากมันเลยแปลงรูปไปเป็นให้พระนีขึ้นใช่ไหมข้าวบีบข้าวบาเล่เนี่ยต้มกินหุงกินเดีวก็แล้ว แต่ทำไมต้องมาทําเป็นขนมปังอี ก, อกอความอยากใช่ไหมความอยากมันแปลงรูปไปเป็นต่างๆนานาเหมือนกันนะถ้าเรามีความอยากในความสุขความสงบมันก็แปลงรูปความอยากขวามสงบให้เป็นไปรูปต่างๆนานาเป็นเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาข้าวก็สมมุติขนมจีนได้ชื่อใหม่แล้วใช่ไหมข้าวบาเล่ข้าวบีข้าวก็สมมติขึ้นชื่อขึ้นมาใหม่เป็นขนมปังขนมนั้นขนมนี้ขึ้นมา ปรุงลดปรุงแตง่งปรุงกินปรุงสีเข้าไปเป็นราคาขึ้นมาแล้วแล้วคนก็ไปเสียเวลากับมันใช่ไหมแทนที่เราจะเสียเวลานื่องข้ากินอิ่มแล้วก็ไปทํางานนั่งไปนั่งสมาธิทําวิปัสนาใช่ไหมไม่แล้วทีนี้ไปคิดหาวิธีการเราจะทำยัางานจะได้ผลิตออกมาเยอะๆขายให้เพื่อนได้เงินมาบํารุงกิเลสต่อไปอีกเนี่ยโอ้ขอบวนการของรูปนี่ไ ม, ไม่จบไม่เป็นจริงๆอืม เห็นไหมแล้วทุกเพราะอะไรทุกวันทุกเพราะความอยากทุกเพราะการปรุงแต่งใช่ไหมสมมติเราจะกินข้าวกับปลาอย่างนี้นะก็นึ่งข้าวสุกหุของข้าวสุกแล้วก็ปลาไปปิ้งไปทอดแค่นั้นนะเสียเวลาไม่ถึงสี่วินาทีใช่ไหมแต่ทํามเอาปลาไป <c oughs> <c oughs> ไปออกไปอบไป <c oughs> อะไรล่ะไปอัดไปคั่วไปหมกไป สารพัดแหลใช่ไหมเสียเวลาไหมเรากินข้าวกับปลาปิง้งที่เสียเวลาแค่สิบวทีคับกินข้าวกั บ, กบแกงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนะี่ยอิ่มต่างกันไหมไม่ใช่ต่างเลยนะอิ่มนะแต่อร่อยต่างกันนั่นนั้นเองเนะี่ยทวงกิเลส น, นะคนก็เสียเวลาเพราะการปรุงแต่งเราปรุงแต่งก็ให้เกิดอะไรความทุกข์ใช่ไหมอ่าเราปรุงแต่งอาหารมากๆแบบงี้ลูค่ายขายี้กระมาของมัน รถก็เป็นรูปของรถรถอร่อยอย่างนี้อร่อ ย, อยไปดาวระดับระดีนี้เห็นไหมอันนี้คือเหตุของทุกข์เรียกว่าสมุทัยดังนั้นจาก ฐ, ฐานของมันเนี่ยจากสัมมาสติสมาสมาธิเนี่ยเพียงแต่เราปฏิบัติไม่แยบคายเท่านั้นนะเราไปติดใส่รูปนะรูปของอะไรรูปของวิชาตนาประธานที่ทำให้เราติดยึดในสมาธิติดยึดในความสุข อืแล้วเราก็ไปเสียเวลาแทนที่ตื่นขึ้นมามีสมาธิในการทาการทํางานไปทั้งวันเราก็ต้องมามีพิธีกรรมอันา น, า น, านั้นอันนี้อะไรทีนี้เยอะแยะมากมายไปหมดทั้งที่ว่ามันคือเสียเวลาเยอะแยะเวลาที่เสียไปกับการกําหนดรู้แล้วได้งานกับเวลาที่เสียไปกับไปนั่งสมาธิเป็นพิเศษหลายๆชั่วโมงเนี่ยต่างกันไหม อันนี้ให้พิจารณานะซึ่งก็ต้องฝึกฝนนะสำหรับผู้ใหม่ต้องฝึกฝนเบื้องต้นนะแต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้เบื้องต้นเราต้องยอมเสียเวลากับการนั่งสมาธิการเดินจกกุกุมการสร้างจังหวะการทําสมาธิต่างๆก็ไปกับมันเพื่อให้เกิดอะไรเกิดทักษะเกิด เอ็กซ์เพลียนเกิดสกิลให้เกิดรู้ในสิ่งนั้นบ่อยๆเรารู้ว่าไอ้รูปนั้นทำให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นสังขารทําให้เกิดทุกข์ความอยากทําให้เกิดทุกข์แต่มันยังเป็นตํารายอยู่มันยังไม่เห็นด้วยตัวเองเราก็ต้องเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นบ่อยๆทําเรื่องนั้นบ่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความทุกข์ว่าเกิด ความอยากให้เกิดทุกข์อย่างไรอวิชชาทาให้เกิดทุกข์อย่างไรตัณหาทาให้เกิดทุกข์อย่างไรแต่ที่ท่านว่ามามันก็ถูกนะแต่เรายังไม่เห็นด้วยตัวเองเราไปเชื่อทำตามนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะมันไม่ใช่ความรู้ของเราเป็นความรู้ของใคร <ight> เป็นความรู้ของท่านผู้รู้ใครก็ได้ที่ท่านรู้ท่านก็นามาบอกแต่เรารับรู้ฟังแล้วมันจะเป็นอย่างที่ท่านบอกไหมเป็นเลยไหม ยังไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำอ่าเราก็ต้องทำอเราต้องทำลงไปเหมือนกับจะมาเอาขนมให้นะขนมนี่หวานนะผลไม้นี่หวานนะรวมยังไม่หวานได้หรอเพราะอะไรเพรายังไม่ได้กินเอาไปเคี้ยวเอาไปกินนะถึงจะรู้ว่าหวานเชิญใดก็ดีบอกว่าความรู้อันนี้ทำอันนี้ดีนะทรอันนั้นใช่นะ ก็ยังไม่ใช่เพราเรายังไม่เป็นแต่เมื่อไรเราเป็นแล้วเนี่ยมันก็ถึงใจอย่างที่ท่านว่าแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้เพราะมันเป็นแล้วดังนั้นที่เราทำทำให้เป็นนะทําให้มันเป็นเป็นเลยเป็นตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราสัมผัสเองเป็นตัวรู้จริงๆที่เราสัมผัสได้แล้วก็สัมผัสมันบ่อยๆ สัมผัสให้มันจำอะ่ะเออรู้รูปเป็นอย่างนี้นะรู้นามเป็นอย่างนี้นะรู้สมมุติเป็นอย่างนี้นะรู้เป็นชัดเป็นอย่างเป็นอย่างเออสติเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ฟังไปจำจำไปไม่ใช่ไงนะต้องเห็นสิ่งที่เราสื่อกันเนี่ยด้วยความเป็นจริงด้วยสภาวะถ้าไม่เห็นทาไง ก็ต้องดูมันบ่อยๆอ น, นะดูบ่อยๆอแล้วที่ถ้าเห็นแล้วทำไงก็ต้องศึกษาสมมุติว่าเห็นเห็นรูปนามเห็นรูปอย่างงี้ยนะเห็นยังไงรูปนี่เห็นรูปรูปมันเป็นยังไงรูปมันสุขหรือมันทุกข์รูปมันสบายหรือไม่สบายเห็นตรงนั้นนะ ไม่ใช่เห็นรูปสวยรูปทรงองคเอวสวยรูปหลอไม่หลอรูปนี้ไม่ดีไม่ใช่เห็นแบบนั้นนะเห็นว่ารูปนี้เป็นอะไรอันนิจังทุกขังอน้าตาแต่เคยฟังมาเท่านั้นนะว่ารูปทุกรูปเป็นนิจังทุกขังหน้าตาก็ว่าตามเขานะแต่เราเห็นมันเป็นนิจังแบบไหนทุกขังแบบไหนหน้าตาแบบไหนเยาม่นเห็นนะจนกว่าเราจะดูมันบ่อยๆไอ้ที่ว่าเขาว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรดูมันสิตั้งใจดูความไม่เที่ยงอย่างเร็วนี่แหละ อย่าไปดูมันเผลนเอ๊ะที่ว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรดูมันห้าครั้งสิบครัง้งร้อยครั้งพันครั้งหมืน่นครั้งแสนครั้งก็ดูอยู่งั้นแหละจนกระทั่งมันแจ้งแก่ใจเยอะออนไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้อ่าไอ้ที่เขาบอกวความไม่เที่ยงถ้าให้เกิดทุกข์มันทําให้เกิดอย่างไรก็ดูอีกอดูตัวทุกข์อีกดูครั้งแรกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ยังไม่แจ้งไม่ชัดนะเป็นทุกข์ วันใดวันหนึ่งปัญญามันพร้อมมันเกิดพวัวเข้ามาอ๋มันทุกข์จริงๆนี่นี่ถ้าหากว่ารู้แล้วลืมอันนี้ยังไม่ใช่นะเมื่อวานเนี่ยรู้อ่าวันนี้ลืมไปละมันก็ไปทุกข์อีกอหละนะเมื่อวานนั้รู้ว่ากินอันเนี้มันปวดท้องเพราะวันนี้เห็นนี่ยอร่อยกินอีกก็ปวดท้องอีกอะ่ะ แสดงว่ายังไม่รู้วรู้ว่าต้องไปกินนะใช่ไหมอ่านี่ไปกินอยู่แสดงว่ายังไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าไอ้ความคิดที่มันเป็นสังขารนะเป็นทุกข์วันเมื่อวานเราคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์อ้าวันนี้ก็เอามาคิดอีกไงแสดงว่ารู้หรือยังยังไม่รู้เอ้รู้นะความคิดเปทุกข์แต่ทําไม่ต้องคิดเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นรู้แต่ยังไม่เห็นเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญญาของเราไม่สมบูรณ์นะต่อให้เรารู้ขนาดไหนก็ตามไอ้ความคิดความปรุงแต่งมันเป็นทุกเราก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะยังปัญญาที่เราเห็นยังยังไม่ไม่ถูกไงมันยังไม่เป็นสัมมาปัญญามันรู้ด้วยความจํารู้รู้ด้วยความรู้จักรู้จํามันยังไม่รู้แจ้งรู้จริงไงถ้ารู้แจ้งรู้จรจิงแล้วนี่ มันรู้แล้วมันสลัดเลยนะสลัดครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ออกสลัดมันหลายๆครั้งนะสลัดห้าครั้งสิบครั้งมันก็ยังมาอีกไอความคิดอันนั้นอ่ะสลัดมันอีกอย่า ง, งั้นแหละบ่อยๆทีนี้พอปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยมันมีสองระยะนะหนึ่ง เมื่อปัญญาไม่เกิดก็ใช้สัญญาจุดจําไว้แล้วก็คอยสลัดปัดเป่าออกไปมันเกิดแต่ละครั้งอันที่สองเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันมันไม่ต้องสลัดละมันออกมาเลยนะจารโครสลัดใช่ไหมทีนี้สละจารโครนี้สลัปฏินิสโคสลัดนะแล้วก็มุติ สลดแล้วยังไม่พอนะปล่อยไปเลยอย่างนี้นะปล่อยให้คุ้นไปเลยอนาเลีย و, อย่าเอามาอีกแต่เสีใหญ่มันยังอนาเลาย و, ียวอะไรอยู่นะมั น, เ, นเอามาอีกเอามาคิดอีกเรื่องเก่านั่นแหละนี่มันยังไม่พ้นนะใช่ไหมทั้งที่มันลืมไปแล้วความคิดเอาเผลอเอาจำมาคิดมาอีกไอ้ ก, กูว่ากูาลืมไปแล้วนะกูม่คิดอีกนี่เขาเรียกม่เป็นอนาลีย و. เพราะฉะนั้นเขาว่าสนิโรดเนี่ยคําว่าดับเนี่ยมันมีสี่ความหมายนะ มึงสลัดก่อนกไม่เอาละอ่าสลัดไปใกลๆเดียวมันจะเอาอปล่อยไปแล้วเอาอันนรอยู่ไม่กลับเอามาอีกแต่ส่วนใหญ่มันมันปล่อยไปมันเผลอเผลอมันอะไรอะไรไมมว่าเอากลับมาอะไรอวรมันอยู่อ่ามันยังไม่เป็นนิโรธมันจะความคิดมันจะไม่ขาดนีไ่ไง ไม่าดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะวนแต่เรื่องเหล่านี้แหละแต่อาศัยที่เราปฏิบัตินั้นเพราะปัญญาเรยยังีไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำบ่อยๆให้เกิดปัญญาสมบูรณ์ดาบใดปัญญายังไม่สมบูรณ์นะทำอยู่งั้นแหละหละายครั้งปันหงหมื่นครั้งแสนหุนในขณะทำนั้นเขาเริ่มสร้างบารามีบารามีแปลว่าทาให้มันเต็มใช่ไหม แต่ถ้าเมลรยมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดทั้งมันเองน่ะเหมือนกับไอ้ผลไม้เนี่ยที่มันแก่จะจัดแก่เต็มที่แล้วมันมันหลุดทั้งมันเองหลุดขั้วมันเองไม่ต้องไปปิดอ่ะถ้าไปบิดมันบางทีมันยังไม่สุกนั้นตัวปัญญานี่มันแก่จัดแล้วเนี่ยเต็มที่แล้วมันเข้าไปแทนที่ความคิดทั้งมันเองความคิดมันจะหลุดทั้งมันเองพอต่อไปถ้าปัญญาเนี่สมบุรณนะ ความคิดเข้ามาปั๊บมันเข้าไปในวงจรปัญญานี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนสภาพความคิดให้เป็นแสงสว่างเหมือนกับเราเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอะใช่ไหมโอ้เมื่อก่อนเนี่ยทิ้งขยะมีนจะเม็นๆต่อมามันได้สูตรใหม่ผสม e อเอ็มผสมกา ก, ากน้าตาลลงไปในตุงขยะมีเท่าไหร่ใส่ในตุงนี้กลายเป็นปุ๋ยหมดเลยเนี่ยไม่เหม็น้วย เอาไปใส่ต้นไม้อะไรก็โตหรื อ, อในบ้านเรามันมีขยะเยอ ะ, อะจิตเตาขึ้นมาให้ไฟมันแรงทีเดียวเอาเทใส่ไฟให้หมดแปลงเป็นปุ๋ยหมดเผาหมดเป็นเป็นเผาขยะเป็นปุ๋ยไปนีะนนจะเห็นว่าอันนี้คือหลักการนนะเดียวกันลูกทำนา้าทำเนะี่ยแต่ทำไมเราจึงภาคปฏิบัติเราจึงนึกนภาพนี้ไม่ออกน เพราะเรายังไม่เห็นแจ้งตัวนี้ชัดๆไงถ้าเห็นแจ้งตัวนี้ชัดมันก็สนุกนะวิปปัตธรรมทีนี้ไอแปลงตัวเผือให้เป็นตัวรู้เนี่ยอีกอันหนึ่งแปลงตัวเผือให้เป็นตัวรู้ทำไงเหมือนแปลงแสงแปลงความมืดให้เป็นแสงสว่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีความเชมี่ยวชนานาญเกิดทักษะ เผอทีไรรู er, the the ้ที่นั้นเผอที่รรู้ที่นั้นผอไม่ให้มันเผอก็ไม่ได้จนกว่ามันจะความรู้มันจะเต็มเมื่อความรู้นั้นมันเต็มเมื่หร่มันก็ไม่เผอนะไม่เผยมันก็เป็นของมันเองจนกว่าเขาเรียกว่าภาวะที่มันเต็มเขาเรียกเป็นภาวะที่เป็นปรมัาถะปรมัาถะปารมีเต็มอเต็มที่ ฐานะปรามีฐานะอุปปรามีฐานะปรมัตถปรมีฐานะปรามีเนี่ยมันมัน่าได้ขวดมาละฐานะอุปปรามีได้ใส่น้ำมาละ่ยังไม่เต็มฐานะปรามัตถปรีน้ำเต็มแล้วก็ปีขวดนี่ไปไหนได้ขวดน้ำเต็มแล้วก็อุ่นใจละทีนี้ฐานะปรามีมีมีขวดฐานะอุปปรามีมีน้ำ ฐานะประมัตัพธรรมีบรรจุน้ำลงในขวดเห็นไหมมันเขาเรียกว า, ร ม, ารมีสามสิบท่าก็ดีไหมเขาสวดเขสวดก็เป็นนกแก้วนกคุณทองนะเวลาภาคป ฏ, ฏิบัติทําให้เป็น <laughs> อ่าแล้อ่ปัญญาบรรมีอ่ะมีอ่ะปัญญาปัญญาปรมัตัพธรมีทําเป็นเข้าใจว่าปัญญาเป็นยงแล้วกป็ปัญญาปรมัตัพปัญญาบรรมีก็หมายความว่าทําปัญญานะให้เต็มได้ คือให้รู้แจ้งในสิ่งที่มากระทบได้แล้วก็ไม่หลงไหลไปกับสิ่งที่มากระทบนั่นเองทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาคตรงนี้เขาเรียกว่ามักนะที่เราทำเนี่ยเป็นมักคือมันยังไม่เต็มเนี่ยเป็นมักแล้วก็ต่อไปถ้ามันเต็มเป็นอย่างไปมันก็เป็นผลอันไหนที่เราทำอยู่มันก็เป็นมักอันไหนที่เข้าใจแล้วก็เป็นผลเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลไปเรื่อย เคยสังเกตไหมว่าเวลาเรา <c oughs> บุกต้นผลมไม้ต้นมะม่วงเลยน ะ, ะมกกักมันดอกใช่ไหมที่นี่ดอกทุกดอกมันอะมันจะติดทุกผลไหมบางทีเป็นช่อดีเป็นร้อยดอกนะน้วช่อดียวนะแต่เวลามันติดจริงๆมันกี่ผลนะเดื๋ยวเคยสังเกตไหม <c oughs> ยังไม่เคยผูกมะ ม, ม่วงเลยนะ คือไม่เห็นต้นน้ำม่วงด้วยซ้าไปว่ารู้แต่ได้กิน ม, ม้ำม่วงแต่ไม่มออไรู้ต้นน้ม่วงเป็นยังไงนึกไ่ออกอันนี้ความเสียเปรียบคนในเมืองนะไม่เหมือนคนวันนอกวันนอกนี่เคยปลูกผลแล้วมาหกลากไม้นนึกพ่อบอกเลยนะที่มเคยเห็นนะเคยเห็นดอกม่วงเคยเห็นนะเคยปลนะูกด้วยซ้ําไปเนาะไม่เคยปลูกไม่เคยปลู ก, กแต่เคยเห็นอยู่นะเดี๋ยวนี้ไอ้ดอกมอ่วงทุกด อ, อกมันจะติดหมดไห <c oughs> โอ้ขึ้นติดหดกิิงมันก็หักเท่านะั้น mm. <laughs> จริงเล็กๆ เ, เป็นร้อยดอกพันดอกเออมันติดไม่ถึงสิบลู ก, ก น, นะอ่าในสิบลูกนี่นะอ้กลัวที่มันจะแก่เนะี่ยมันเหลือขี่ลูกห้าลูกก็ยังยากอยู่นะเห็นไหมไอตัวมักเน่ยเยอะไอสร้างยังหวะไปเนี่ยสักร้อยครั้งนะที่มันจะติดเป็นสถิติจริงๆอนยะ่างสักกี่ครั้งนะเ <laughs> ที่จะติดเป็นสถิติจริงจนะสักกี่ครั้ง เห็นไหมอ่าร้อยครั้งมันจะติดจริงที่สิบครั้งในสิบครั้งกันกองก็ไปจริงๆริแล้วมันเหลือห้าครั้งหรือเปล่าที่มันรู้จริงจริงเนะอ่ามันมันกิงผลไอ้ากิ่งเดียวเนี่ยนะมันมันทั้งร้อยด อ, อกอติดจริงจริงไม่ถึงห้าห้าลูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราทำํำเล่นๆไปในพินด อ, อกมันนะแต่ยังไม่ยังไม่รู้จะติดเป็นสติหรือเปล่านี่อ่านะเพราะงั้นการสร้างเกวียนนี้จะทําไงให้มันติดทุก ก็จ so so ิตท like so, ุกดอกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะริงห so, ักแน่แน่เลยเหมือนกัเครียดแน่แน่เลยกันน่ะก็ทําเล่นบ้างทิ้งบ้างไปงันเลยเอาพอดีพอดีให้พอดีนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าพอดีเป็นสายกลางเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติจริงๆแต่เมื่อเรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเราไม่สามารถจะโยงรูปธรรมนามธรรมก็หากันเนี่ย เนี่ยพุทธิเาถึงกล้าตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไงผู้ใดเห็นเราผู้ น, น, นด้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจิตรสุบัติผู้ใด เ, เ, เห็นปฏิจิตสุบัติผู้นั้นเห็นธรรมนียฉันบอกก็เลยเห็นปฏิจิตรสุบัติคืเห็นสายโซ่ของรูปธรรมนามธรามารมแต่ทำให้เกิดทุกอย่างไรสามารถเชื่อมโยงกันถูกว่ารูปธรรมทาให้เกิดทุกอย่างไรนามธรรมท่านเกิดทุกอย่างเรียกเห็นปฏิจิตรสุบาท แล้วในสิ่งที่วุฒิย่าจะรู้อ่าก็สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่าพุฒิย่าแสดงธรรมนะคนไหนได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ลูลลทลท่ทางนาวทางท่านก็ปล่อยละทีนี้ท่าไม่ต้องสอนอีกเพราะอะไรเหมือนกับทําให้ตามันเปิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องไปชี้แล้วมันก็เดินเองแล้วคนนั้ น, นใช่ไหมเดินเองแหละไม่ต้องไปจูงมันละ แต่ในช่วงที่มันตาไม่เปิดเนี่ยต้องพยายามจูงไว้ก่อนเปิดตาไปเรื่อยๆเมื่อนั้นถ้าแสดงธรรมเนี่ยยังแต่คนบรรลุโสดาบันได้ดวงใจทมก็พอใจละเพราะฉะนั้นเขาจะเดินด้วเองละคือเห็นรูปธรรมนามธรรมก็คือเห็นรูปนามนั่นแหละเห็นรูปนามก็เห็นกายเห็นใจเห็นกระแสรูปเห็นกระแสนาม เบื้องต้นเนี่ยเห็นตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มันเป็นต้นกำเนิดของธรรมคือลูกธรรมนามธรรมนี่นะแต่เห็นลูกธรรมนามธรรมของตัวเองแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็เห็นหมดอันนี้ก็รู้อันนี้ก็รนนู้รู้ไปของมันเองแต่ให้มันเห็นต้นกำเนิดของลูกของนามคือตัวเรานี่ก่อนให้ ช, ắt, ช ắt. ัดๆแต่มันก็แปลงนะบางปีมะม่งมเนี่ยเป็นดอกเป็นกิ่งหักเลยนะ แต่พอกลัวไม่ติดสักลูกเลยเพราะอะไรเพราเพี้ยมันลงเคยเห็นไหมเพียลงนี่ดําทั้งต้นเลยนะล้นหมดเลยนะเพี้ยมันลงเพราะบางคนปฏิบัติตลอดนะแต่ว่าเพรทั้งหลายปีโอ้ไม่ได้ใจสักอันเลยเพียมันลงเมื่อนานเสียดายอย่งนี้นั้นเปล่าตั้งกีแลยมันเพียมันลงระวังเพียกันเลยกัน เพี้ยนี่อะไรคือเป็นไวรัสไวรัสก็คือกิเลสกิเลสมันเอาไปกินหมดแล้วก็ทําไปสำรวจไปทีนี้วิทยาการสมัยใหม่เขาไม่ให้มันเป็นเพี้ยนละพอมันติดต่อมาเข้าไปไงฉียาเลยฉียากันกันเพี้ยฉียากันนอนฉียากำมะแรงเรียบร้อยเลยนะมันก็นักปริบธรรมยุคใหม่นี่เหมือนกันอพอ ปฏิบัติทมแล้วก็กันสิยากันไว้ยาอะไรอื้ อ, อ, อไหมตอกสหมงสติเรื่อยๆทำสติเป็นดอกไงส้างเรื่อยๆเป็นดอกสียากันไว้ <c oughs> ยากันแมลงเนี่ยมันก็มีคุณพิเศษของมันนะไม่ให้แมลงไม่ให้าพย้ยมันลง คือหมายถึงว่าให้ตัวศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปอยา่าจะมีศรัทธาอย่างเดียวต้องตัวปัญญานั่นแหละคือตัวการเมลังปัญญาระดับต้นตการเมลงคือหมายของว่าทําไปวิจารณาไปเฝ้าดูไปศึกษาไปอย่าไปเอาใจว่าทำทำทำแล้วมันดีนะทําไปวันนี้ทําแล้วเขาว่าสติเป็นตัวเอ คนดูศึกษาดูนั่นแหละเนาะสติเป็นอย่างนี้เองอ่ารู้ละสตะิสมาธิเป็นยังไงดูต่อไปดูสมาธิเอ๊ะเขาว่าสมาธิถ้าดูในรูปนามธรรมยังไม่ออกดูเป็นรูปธรรมซะก่อนดูสติที่เป็นรูปดูสมาธิเป็นรูปธรรมซะก่อนอะดูสมาธิเป็นรูปธรรมเป็นยังงสมมติเราตั้งเออมัตั้ง ถ้ามันตั้งแค่นี้อ่ามันไม่ตั้งหรือตั้งอย่างเงี้ยคือมันก็ตั้งยากเหมือนกันใช่ไหมไม่ตั้งอ่าตั้งนี้มันตั้งง่ายทำไมอย่างงี้ถึงตั้งง่ายทำไมอย่างงี้ถึงตั้งยากเลยเราลืมลืมหาคาตอบแล้ใช่ไหมทำไมถึงตั้งง่ายอยู่เบงอเงี้ยเพราะมันเป็นสมาธิไม่ก็ว่าควดกันทีอย่าเพิ่งไปสมาธิดิันตั้งถืงเป็นมัน พราะโคนมันกว้างถามมันกว้างใช่ไหมถามันกว้างแต่นี้ทำไมมันตั้งยากอ่ะามั น, น้อยฐานมันแคบใจของเราเหมือนกันมีอะไรเป็นฐานนะฐานของสมาธินี่คือสตนะิถ้าสติมันน้อยสมาธิก็ตั้งยากแคบก็ขยายฐานของตัวรู้เนี่ยต้องกว้างนะกว้างครบทั้งสี่มุมเลย มุมกายมุมเบทนา ม, มุมจิตมุมดำายนให้กว้างอันนี้คือคือตัวหลักของมันนะไม่ใช่ทฤษฎีนะแต่โยกให้เห็นในะลูกทำนามธรรมให้ชัดเท่านั้นเองแล้วเราก็จะเอาไปประยุกใช้ในตัวอื่นให้หมดถ้าสมมติว่าเอาละเรานั่งอย่างเงี้ยก็ฐานกว้างเราก็นั่งมั่นคงไม่สงสัยอะแต่ว่า นั่งแล้วมันทำไมพลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมาลูกไปลูกมาลนะ่ะทั้งท่านนี่มันก็ตั้งมั่นแล้วนะฐานก็ดีแล้วทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอะไรเพราะอันนี้มันมันฐานรูปแต่ไม่ใช่ฐานนามอ่าเพราะรูปมันมันไม่มีปัญหาแต่นามอะ่ะที่มันไปสัมพันธ์กับรูปอะ่ะเพราะอันนี้มันไม่ใช่ขวดใช่ไหมละ่ะ อมันมีจิตวิญญาณเออมันมีน้ำอยู่อันนี้มันมีมันมีน้ำเท่านั้นเองมันไม่มีน้ำหรอกมันมีแต่รูปใช่ไหมเออแต่อันนี้มันมีน้ำอยู่อเพราะนั้นรูปมันตั้งมั่นแต่น้ำมันยังไม่มั่นมาน้ำมันมันไม่เที่ยงความรู้สึกเมื่อกี้มันสบายใช่ไหมตอนนี้รู้สึกไม่สบายแล้วไม่เที่ยงแล้วไอ้ตัวน้ำมันเป็นโลกเขาเรียกลูกลกน้ำโลกนะแต่ถ้าสมมติว่า รูปเป็นโลกอย่างเดียวนะมันรู้สึกปวดอย่างเดียวแต่ถ้านามไม่เป็นโรคน ะ, ะมันก็ไม่พลิกแหละทีนี้มันก็รู้อย่างนั้นแต่พลิกนิดน้อยนะเปลี่ยนนน้อยไปให้รู้ไปถึงอยาพริกก็มีสติพลิกนะอ่านามเป็นโลกก็เราจะเปลี่ยนได้ไมรู้ตัวแต่นามมันไม่มีโรคนะมันก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวเยียวยาไปในตัวนะ มันก็ตังมัน่นละจิตมันก็ไม่วอกแวกก็เปลี่ยนไปเราั้นเราจะเห็นว่าหลักของรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเนี่ยมันกเกี่ยวกันไปอย่างเงี้ยก็ไปสู่ตัวอนิจจังทุกขอังอนัตตาตามสูตรหลวงพ่อเทียนน่ะให้เห็นสูตรเหล่านี้ยให้เป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ไม่ใช่เป็นความจู้จำรู้จักแต่ให้เป็นรู้แจง้งรู้จริงและรู้แจง้งรู้จริงไม่ใช่นึกคิดเปรียบเทียบ แต่เป็นการสัมผัสการทดลองการซักซ้อมการทำบ่อยๆในสิ่งนั้นให้มันเป็นนะให้มันเป็นเอ็กซ์เพลีให้มันเป็นประสบการณ์จริงให้มันมีการประสบพบเห็นดีจริงนะไม่ใช่เป็นการจดจังจถ้าจดจำไปจะทำยังไงให้เป็นมันไม่เป็นให้หรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความรู้จักรู้จำเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ถ้าเราสัมผัสลงไปแต่ละขณะ เขาทำมันมีตแล้ตลอดเวลาใช่ไหมเรามันจะจะมีบางครั้งนะทำมีตลอดเวลาแต่เราจะไปเรียนเขาจะไปรู้เขาเราจะไปศึกษาเขาหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเมื่อไรเราไปเรียนรู้ไปศึกษาไปจดจําทําให้มันเป็นขึ้นมาเขาก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมเราทําเข้าไปกับรูกทำก็เป็นรูปธรรมนามธรรมลูปโตนโลกอนิจจังทุกขานาตานะ อันนี้ในขั้นตอนของรูนามนะเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อเราทำให้มันชัดใช่จุดหนึ่งนะในจุดต่อไปไม่อยากสมมติเราทำให้มันชัดในรีบทนั่งไอ้ความเจ็บปวดในรีบทนั่งกับรีบทยืนนี่ต่างกันไหมไม่ต่างใช่ไหมความเจ็บปวดกับรีบทยืนกับรีบทเดินนี่ต่างกันไหม มันก็ไม่ต่างมันก็คือเจ็บปวดเหมือนเดิมเมื่อเรารู้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในอิบุตรไดบุหนึ่งชัดในอิบุตอื่นก็เช่นเดียวกันมันไม่ต่างกันมันไฟอ่ะไม่ว่าไฟเกิดจากอะไรก็มาร้อนไม่ต่างกันหรอกไฟแก๊สไฟอน้ำมันไฟเตาไฟอะไรก็ต่างมันก็ร้อนเหมือนกันนั้นนั้นแหละเพราะฉะนั้นคือชื่อว่าความร้อนแล้วก็ห่างไว้ก่อน คือชื่อว่าความทุกข์เราแก้ไขมันไว้ก่อนอาหาไว้ก่ อ, น, อนนี่คือการเรียนรู้การปฏิบัติเรียนรู้กับปฏิบัติลงไปซักซ้อมบ่อยๆทําบ่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนเรืหลับแล้วจิตของเรามันก็จะมาเห็นรูปทุกข์นามทุกข์ละทีนี้ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตาชัดเจนขึ้น S <S พอไปเห็นทุกขังอนิจจังนาตาก็เห็นจังข้างตาแบบสมมุติไปก่อนก็แล้วกันนะคือหมายความว่านึกขึ้นมาเห็นนึกขึ้นมารู้ในฝ่ายรูปนะรู้อนิจจังทุกขังในฝ่ายรู้นะี่ก็ว่ารู้อ น, นิจจังทุกขังาตาแบบสมมุติก็เรียนรู้จากสมมุติไปก่อนก็นแล้วกันรู้มันบ่อยๆบะบัดบ่ดบอยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเข้าไปนะมันปวดขาก็ ก็เปลี่นไปเรื่อยๆปรับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะมันเกิดความเข้าใจว่าเอ้การปวดเนะี่ยมันถ้ามันปวดซ้ำๆซักๆปวดได้เลยเกิดจุดบาดนี้มันก็ยังไม่เคยหายเลยเนีย่มันเป็นอะไรกันแน่มันเริ่มอินไซต์เข้าไปละอ่เริ่มอินไซต์เข้าไปเห็นการปวดจริงๆมีไหมเอ้การปวดมันมีจริงไหม เออลืมเกิดปัญญาใช่ไหมเคยคิดไหมโย่เคยคิดไหมากันปวดขาดนี่มีจริงไหมเ <c oughs> จริคองถามว่นี่งงกันนี่หลวงพ่อจะอาไงนี่ฮ <c oughs> ะไม่มีนะแต่ถ้าสมมติเป็นของจริงเวลาเราเปลี่ยนมันก็ยังอยู่ซิใช่ไหมแต่นี่มันไม่อยู่แล้วอะ่ะแสดงว่าไม่ใช่ของจริงเนี่ยอ่ะมันเป็นอะไร อ, ะอ่ะเออ นะต้องพิสูจน์ได้เห็นจริงๆนะอย่าไปนึกเอาแล้วว่าอันนี้จังอันนี้จัิงนะที่มันเป็นอันนีจังคือมันไม่จริงเน่ยอันนี้จังเป็นแบบของไม่จริงแต่ทุกมันก็ของไม่จริงถ้ามันจะว่าจริงเพราะมันไม่มีตัวมันเป็นอนัตตาแต่ที่มันเกิดมีตัวขึ้นมาเพราะอะไรเราไปสําคัญมันว่ามันมีใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์เลยทีนี้ เราปวดขาล้วก็เปลี่ยนไว้ช่ปวดขาก็หายเอ๊มันไม่มีเนี่ยไม่มีมีแต่อาการแล้วใครเป็นผู้ปวดล่ะใครบอกว่ามันปวดล่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะมันมีเราไง <c oughs> อ่ามันมีเราเราเป็นผู้ปวดเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นที่เราอั ต, ตาอราเพราะเราไปสัาคันมันมีตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้เข้าไปสําคัญมั่นหมาย เราไปเห็นว่ามันเป็นเราทั้งท่านที่มันไม่ใช่เราใช่ไหมมันเป็นหนาตาเริ่มเห็นอ น, นิจจังทุกข์หน้าตาแล้ ว, วก็พิจารณาทีนี้บ่อยๆพิจารณาจนมันขึ้นใจจนกระทั่งเห็นทีไรมันไม่ใช่เราแหละโ อ, อ้มันคืออาการทีนี้เราจะกลัวไหมทีนี้ถ้าเรารู้มันเป็นอาการเราจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะรู้จักแก้ไขอ่ารู้จักบำบัดเหมือนเราไม่กลัวโรคไัไข้เจ็บอะเรารู้วิธีการแก้ใช่ไหม ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการแก้ไขตัวเองเราก็กลัวอะไรกลัวโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเรากินข้าวกินเยอะๆกลัวกลัวอะไรกลัวง่วงเออถ้ารู้จักง่วงเราวจะกลัวไหมไม่กลัวกินกันไปเถอะที่ยังที่ยังไม่กล้ายังกลัวง่วงอยู่นี่แสดงว่าเรายังไม่รู้จักมันแล้วกลัวมันอยู่ถ้ารู้จักมันก็ไม่ต้องกลัวอันนี้มันก็ เข้าใจจุดหนึ่งนะมันก็จะเข้าใจชัดไปชัดไปแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจละเอียดลงไปลำวัดจะง่ายขึ้นนะหมดเวลาแล้วนี่เนาะสองทุมแล้วเนาะเออคุยกันเพลินเอาละตอนนี้รู้จากรู้จากนามกันแล้วเนาะ <laughs> ถือว่ารู้แล้วถือว่ารู้แล้วอธ <laughs> <c oughs> ิบายยา <laughs> กเลยเอครับ พุ่งนี้พุ่งนี้ไม่อยู่ตรงนี้แนละ้พวพุ่งนี้ไปบทใหม่แล้วนะเอาไปทวๆนๆไ้ดีพุ่งนี้เอาไปทาทั้งวันเด้แล้วพวุ่งนี้ให้มันเป็น ไ, ไ, ได้ไหมได้เอาข้อมุทนาสาธุในความตั้งใจให้เราทั้งหลายไปเรียนเอาไปทําดูทำบ่อยๆทำให้มันเป็นแล้วมันก็จะเกิดตัว รู้ของมันเองเราไม่อยากรู้มันก็รู้เพราะว่าเราทำถูกแล้วตัวรู้ตัวนี้มันก็จะเป็นแสงสว่างให้เห็นกายเห็นใจเห็นความจริงของชีวิตของเรามันก็หายสงสัยมันก็หมดทุกโดยการทุกคนทุกท่านเธอ